อง์6แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองคห6พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริสเป็นผู้มีโอตตปะ 4. เป็นผู้ปรารบความเพียร 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 6. มีภาษาครบห้าหรือภาษาเกินหภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บสี่